กับมาในโวสุธธิธีท่านหน้า 75, ้อยเจ็ดสิบห้าข้อที่สามสิบเก้าโภชนะที่เจยวด้วยของประนีเหล่าใดมีอยู่ของประนีนั้นได้แก่เนยใสนคน้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมส้มพิสูรรูปกไดไม่ใช่ผู้อาภาธขินขอโภชนะที่เจือด้วยของประนีดังกลา่าว เพื่อประโยชน์ตนมาฉันเช่นโยมจงถวายข้าวผัดใส่เนื้อแก่อัตมาทั้งที่เขาไม่ได้ปรนาไว้ก่อนต้องอามบักปาจิตตีนะคุณนนี้บอกว่าขอโคชนะพน่โคชนะเนี่ยหมายาะว่าข้าวสุกแหละนะขอข้าวสุกที่หลวงมาจารย์ทยชาตเจอย่างนะครับที่เจอได้ของปนิ ไม่ใช่ขอแค่ข้าวสุกอย่างเดียวนะไม่ใช่ขอของประนีอย่างเดียวแต่ขอข้าวสุขประสบกับ ข, ของประนีนะครับขอรวมทั้งสองอย่างเลยนะเนี่ยของประนีก็มีใ น, ในสายในข้น น, ข น, น้ำน้ำพุน้งอ้อยปลาในถึงต้นและขอข้าวรวมกันอย่างนี้นะครับทีงจะเป็นบบปลำบากไปตีในสิขาบทนี่นะตอนที่ขอแนละ้วก็เป็นทุกกดก่อนนะครับพอมาขา ย, ยก็จะเป็นบบปลาบัากไปตีนะครับที่เพราะว่าไอโคชนาเนี่ย มันเจอได้ของปณีญิหล่าเนี่ยนะเลยชื่อว่าโภชนปะปัญญินะครับอันนี้บรูดาไม่ใช่ผัวผ้าไม่ใช่ผัวผ้าคือเว้นจากโภชนปะปัีญนีล้ก็สามารถอยู่ได้เปนนะาา็นฐานนะผัวผ้าประมาณนี้ว่าป่วยป่วยแปลว่าต้องชนะหาผู้นี้นะต้องชนหาปัญเนี่ยถึงจะอยู่ได้นี่ครับถ้าปวดลักษณะนี้ขอได้เลยนะถึงเขาไม่ใช่ยาไม่ใช่ปวดนะไมีเป็นขอได้เลย แต่ถ้าไม่ใช่ผัวผ้าอย่งนี้นะครับไปขอไม่ได้นอกจากยากป้อนาะขอแนนเป็นอะไรนะครับ น, นี่มาถึงคนนั้นไม่ใช่ยากไม่ใช่ปอนาด้วยถ้าไปขอโพชนะยันข้าสุดเนี่ยที่เจือกับของปณี่เหล่านี้นะครับเนี่นะขอผู้ปริกัตตนมาฉันนะครับเป็นไปที่ในศิกขาบุญนี้จ้างไยกตัวอย่างมาเช่น <c oughs> ขอตะมาขอข้าวผัดปู <c oughs> ข้าวหมูกรอบนี่นะ ข้ามันไก่เนี่ยมันมีทั้งข้าวมีทั้งเนื้อใช่ไหมอย่างนี้แหล ะ, ะครับคือโดนนะนี่ครัถือว่าโดนนะแต่ว่าถ้าถ้าขอข้าอย่างเดียวเนะี่ยมันก็จะเป็นระบาดผูกดในเศรษฐีวันขึ้นไม่เท่ถ้าขอเนื้ออย่างเดียวก็จะเป็นผุ้กดในเศรษฐีวันนะเป็นข้อนั้ไปนะครับ อ, อันนี้ก็อธิบายข้าวอันนี้ก่อนต่อไปมาดูต้นไม้ใหญ่นะครับ คราวนี้หล่ะพุ่งเล่ยโดนลมาจาก่องพระฉัพภทคีโดยสมัยนั้นพุ่งว่าผ่านพุทธเจ้าประทับอยู่นอกพระเชตวันอารามของนาถามิติการข้ามบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นพระฉัพภาคีขอโควชนะอันประนีดเพื่อประโยชน์แก่ตนมาฉันประชาชนพากันเพ่งทอดติดเตรมพัฒนาว่ า, น า, นาชนัยพระสมมาชี้สารภาษากยาบุตร จึงได้ขอโพชนะอันบระนีเพื่อประโยชน์แก่ต่อมาฉันโพชนะที่ดีใครจะไม่พอใจของที่อร่อยใครจะไม่ชอบพิู่จน์ทั้งหลายดิยนคนพวกนั้นเพ่งเท่าติดเต็มพุทธนาอยู่บรรดาที่ดินผู้มากน้อยสัโดแต่ก็เพ่งเทงติเต็มพุทธนาว่าฉชะไหนพจะว่้าวิจิณได้ขอโพชนะอันบระนีเพื่อประโยชน์แก่นตนมาฉันเล่าและการคุณเลี้ยงนันแต่คุณพระพางจ้า พุทโธทรงสอบขาทรงตีพีแล้วก็มยายดุ ข, ขาบทขึ้นมาถ้าบัายดุครั้งแรกนี้ยังไม่มีอะไรเว้แมาแต่ผ้อาอันนี้ไม่มีนะก็มีสมัยต่อมาเขาก็มีเรื่องของพิศวาสผ้สานี้เกิดขึ้นอีกก็ในสมัยนั้นแหลมีพิสุทั้งหลายอาผ้าอยู่พวกพิสุผู้พยาบาลได้ถามพวกพิสุ์ผ่าอันมากอ า, า, า, อายุโสดตั้งหลายยังพอทนได้อยู่หรือยังพอครองอยู่หรือ พิสุอาภาเหล่านั้นตอบว่าอาวุโสทั้งหลายเมื่อก่อนพวกกับผมขอโวยชนะอันตนนีเพื่อประโยชน์แก่นตนมาฉันเพราะเหตุนั้นพวกกับผมจึงมีความผาสุขแต่ดี๋นี้พวกกับผมกลังเกียดอยู่ว่าพุทธว่าภาเจ้าทรงห้ามแล้จึงไม่ขอเพราะเหตุนั้นจึงพ่อเพราะเหนั้นพวกกับผมจึงไม่มีความผาสุขนะครับชื่อทังหลายได้การพระเจ้าพุทโธก็เลยสอนรูปบัญญัติขึ้นมา ยิงคำคําว่าไม่ใช่ผู้อาฆาตนะครับพ่อเข้มานะครับถ้าป่วยนะขอได้มีปัญหานะขอโภชนานันนี้หรือไม่นันนี้กขอได้ใช่หไหมในเสียกียวันเนี่ยมีพ่อนะข้อที่ขอแกงและข้อสูุดท้ายไล่ได้สามวันนี้ <c oughs> นะ่นั่นสูบฟังวาเอหน้าสูบฟังวากโกเทนวา ไอคิลานุอัตโนอัธายะวิยาเป็นตะว่าพุนชิษามีติสิกากระัติญาใช่ไหมครับที่สูงรพึทงทำความศึกษาว่าเราไม่เป็นไข้ใช่ไหมจะไม่ขอแกงและข้าวสูตเพื่อประโยน่แก่ตรมันฉันใช่ไหมครับใช่ไหยคือได้เป็นไข้แล้วก็ขอได้น่าป่วยไข้บางอย่างมันจำเป็นต้องอาศัยอาหาแบบนี้ใช่ไหมแล้วขอได้นั่นเป็ไรนะครับไม่มีถึงไม่ใช่ยาไม่ใช่ปลาน่าขอได้กรณีป่วยไข้ แต่ถ้าไม่ป่วยดิไม่ได้บอกว่าถ้าบางคนโอ้ยป่วดไป็นโรคมล็งนี่นะต้องเสิีหารสุกภาพ <c oughs> บอกสูตรมาเลยสูตรดั้นสูตรนี่อะไรสูตรหมอเขียนสูตรอะไรว่าไ <c oughs> นั่นก็ขอได้นะครับจริงแค่ให้อาหารจริงและอาหารนั้นมารกักษาโรคกันได้เนี่ยนะนั่นขอได้แต่ว่าเขาจะให้หรือเปล่าอนเรื่องนี้นะ อ๋อครับมีเจ้าภาพจริงคร้บครับยังอ๋อครับครับครับไว้ครับวาาวิทยกรจริเราบอกวายางลยครับเราบอกวิทยากรนี่นะครับหรือว่าบอกเจ้าของร้านเลยครับถ้าวายาไปแล้วเราก็บอกได้นะเราต้องการอะไรอะไรเราก็บอกได้ อ๋อแน่น่น่่นบอกนครับ้จอาก็ปาก็บอกไเลยถ้าถาบ <c oughs> ม, มาอาบอกได้เลยครับ <c oughs> ถ้ามงเจ้าต้องการบอกได้เลยครับเข้าไปในมาญาก็บอกได้เหมือนกันทีนี้เนี่ยเล่านอย่างนี้นะครับที่อธิบายนี่คำว่าในใสายนะ ในสายในข้อ น, น, น, น้ำมือน้ำผึน้ำอ้อยน ะ, ะในสายพวกนี้นะเพศสัต์ห้าเนี่ยก็มีคำพิบายนเหมือนกับในเพศสัตว์เราเรียมผ่านหมายมือสักคีนะเป็นอง น, นะะ้เหมือครับในสายคือในสายของสันที่มีเนื้อเป็นกระพิยาใช่ไหมครับมีในสายโคในสายแพะในสายอะไรกระบือเป็นต้นนะในค้อก็เหมือนกันน้ํามันก็น้ำ ม, ม, ม, มันเมล็ดงามมเมล็ดปะก์มเป็นต้นใช่ไหม นมเพื่อน้อาด้อยน่าเหมือนกันนครับแต่คาว่าปลาที่นี่หมายวาสันหน้าุกอย่างนะเพราะปลาที่นี้นครับหมายสิตเทียบไปเลยนะเพราะฉะนั้นกุนออ้งหอยปูอะไรเนี่ยเอาหมดนะครับไม่ใช่พยปลายเดียวสันหน้านะเนื้อก็กระปิยาบางสันะครับนมสด น, นี่อันนี้ก็เหมือนกันนะนมส้มนี่ก็อันนี้หมือนจไม่ยากนะีแต่ปลาถ้าพูดนะคาับนี่นี่มาดูขาวที่ปลา ความพิบาติการขานี่เลย <c oughs> ขอทุกกฎใช่ไหมรอบระเค้งของทุกกเป็นไปตีตอนที่เอามาฉันนะครับผมก็เป็นไปที่ยตัวคำอืมกัน <c oughs> ดูเผยในการขาหนาสองร้อยสี่มหธต้าอธิบายปณีตฐาโนชนะสิกขาบทพึงทราอธิบายสิกขาวิธิก้าต่อไป ชื่อว่าโพชนาปณีคือโภชนะที่เกิดแต่ทัญชาติเจ็ดชนิดเจือด้วยของปณีเนี่ยโพชนะคือข้าวสูงนะพัพพัพแต่ก็ดีโพชนะก็ดีนะครับเขาแปว่าข้าเหมือนกันนี่ยที่หุ้มมาจากธัญชาติจันย่างใช่ไหมหุ้มมาจากอะไรข้าวสาลีข้าวฝ้าอะไรลูกเดือเป็นต้นใช่ไหมจัอย่างนี้ครับนี่แหละแล้วแล้วก็มาเจือด้วยของปณี เปลี่ยนเหมือนรถที่เทียมด้วยม้าอาชาในชาวโลกเขาก็เรียกว่ารถม้าอาชาในโพชนะที่ละคนกับของปณิในสิขาบทนี้ก็ชื่อว่าโพชนะปณิไม่ต้องแส่คำว่าเจือก็พูดว่าโพชนะปณีไปเลยอย่างเช่นร ถ, รถม้าใช่ไหครับรถม้าคือรถที่ เ, เทียมด้วยม้านะเวลาพูดไม่ต้องใส่คำว่าเทียมเข้าไปใช่ไหมเรียกว่ารถม้าไปเลย อันนี้ก็เหมือนกันอาหารที่มันข้าวที่ประสมด้วยโพชนาปณีดดืวอาหารปนีดเรียกโพชนาปณีไปเลยครับเมื่อเราวกโพชนาที่เจือด้วยของปนีดแี่ยก็คืสั้นๆเหมือนกันพอชนะละคนด้วยของเหล่านายที่ปณีดของเหล่านั้นก็เรียกว่าโพชนาปนีดเพื่อจะแสดงโพชนาปณีดเหล่านั้น พวทาภาคเจ้าจึงตัดว่าสายยติทางส ป, ปีนวันตังในสายในคนเป็นต้นบรรดาโพชนาปลณีเหล่านั้นในสายเป็นต้นพึงทราบดุลรสนะดังกล่าวไว้แล้วในเพศรรชาติขาบทนะ น, นิสกีนะสำหรับปลาเป็นต้นมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ปลาทุกชนิดนะครับอันมีลักษณะตามที่กล่าวไว้แล้ว ก่าไว้ว่าเป็นสัตว์นานะครับสัตว์นาในคุนหอยปูปลาหมดเลยชื่อว่าปลาส่วนเนื้อของสัตว์เหลาใดสมควรเนื้อของสัตว์เหล่านั้นพร้อมทั้งนมและนมส้มนะครับนมสดนมส้นมสนะประสงค์เอาแล้วว่าประสงค์เอาแล้วในสิขาบท น, นี้นะครับข้อว่าเนื้อแมงดา ข้อว่าเอวารูปานิปณีตาโพชนะนี้ความว่าโพชนะเหล่าใดเรียกว่าปานีเพราะละคนกับในสายเป็นต้นเหล่านั้นพิสุขอโพชณะปนีเช่นนั้นมาเนี <c> ่ย <oughs> คำว่าไม่เป็นไข้คือผู้ที่เว้นจากโพชนะปณีเหล่านั้นก็ยังเป็นอยู่ได้สบายสบาอาจจะกวดฟัน <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไปต้องมากินอาหารโพชนะปนีใช่ไหม มารักษาอื่นนะอันนั้นเชื่อไม่เป็นค่าในสาขาบทนี้นะครับเป็นค่าในข้อนี้เหมือนกับว่าต้องกินอาหารเหล่านี้ลดที่หายได <c oughs> ้คําว่าอัตโนัดหายามียาเปตวาเนี่ยเขามาเพื่อประโยชน์แต่ตนนะนี้มีวินิจฉัยต่อไปนี้พิสุใดไม่เป็นคข้ยขอในสายเป็นต้นล้ว น, นเพื่อเป็นยา น, นะครับไม่ต้องไิสาขาบทนี้ใช่ไหม ที่สูตรนั้นจึงต้องอาบติอามมหานามสัสสกขาบท น, นะครับนะพ่อตัวไม่ได้ป่วยไข้เนี่ยไปขอในอสายเป็นยานะครับกับคนที่เขาไม่ใช่ยาไม่ใช่ตัวนาใช่ไหมก็จะไปต้องบวชไปอีกทีตามหานามสัสสกขาบทคุณเราจะไปเจอข้างหน้าอะไรับเจอข้างหน้าใช่ไหมขอยาได้ถ้าป่วยเพว่าถ้าป่วยเนี่ขอยาได้ใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ได้ป่วยนะครับขอไม่ได้ พวกในสายจะมีเศทศห้าไปขอผนไม่ใช่ยามเม่โปราเนะี่ยต้องไปตีนะเ <c oughs> มื่อขอโปชนปะปานี่สี่อย่างมีปลาเป็นต้นจะต้อง ป, ป, ปัดตามสูโปชนะวิญญาสิกขาบท น, นะครับโปชนะอะไรนะในสายเป็นต้นในสายห้าอย่างแรกนะมันเป็นเทศ์จะไม่ละในสายในข้นน้นํามันน้ําึ่งน้ำออดไม่ได้เป็นไข่ไปขอมา เป็นไปตีตามมหานณมศิกขหาบทแต่ถ้าปลาเนื้อ น, ส น, นสมสดส้มพุนนี้เป็นอาหารใช่ไหมครับไม่เป็นไข่เหมือนกันนะไปขอมาก็จะต้องบรรทุกกฎในเศรษฐีวันนะครับเพราะว่าอะไรขอแกงและวข้าวสุกนะขอแกงอยนี้หรือข้าวสุกอนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นทุกกฎที่ว่าตามสู่โพธนารวิทยศิขาบทก็คือทุกกฎในเสรษฐีวันนะครับเพราะว่าขอแกงและวข้าวสุกตรง น, นั้นนะ แต่ที่ต้องอ่านบทสิกขาบทนี้เนี่ยพ่อมันขอสองอย่างใช่ไหม <c oughs> เมื่อขอโคชนะที่รักคนกับเนยใสยเป็นต้นนะครับจึงต้องอ่านบทตามสิกขาบทนี้เนี่ยนนในเรื่องของการต้องอา่านบทนี้มีวินิรณ์อย่างต่อไปนี้เมื่อพิสูจขออย่างนี้ว่าท่านจงให้ข้าวกับเนยใสเนี่ยตัวอย่างท่านสมัยนี้ก็ ขอจะไรเข้ามันไก่นะผักกะเพาหมูแสลสองย่างนี่หมครับพูดถึงนมยนี้ว่าอะไรกมาครับเปธบัตรเดียวไปีอ๋อครับอยู่ที่เราขอเนี่นี่ตัวก่อนออมมาแล้วแต่ถ้าเราขอสองอย่างคนกันเนี่ย มัก็จะต้องอบัดไปเียงสิกาบนี้ครับถ้ามัขอก็ยตัวอย่างขวขอไข่เจีย ว, วขขยยยมีทั้งไข่มีทั้งน้ำมันใช่ไ้มแล้วไม่ได้ขอน้ำมัน <c oughs> แต่ก็รู้ว่าไม่ต้องใส่น้ำมันใช่ไหม เขาต้องขอสองอย่างนี่นะครับแล้วผมต้งสองอย่างนี่นะครับถึงจะโดในข้อนี้นะถ้าขอเพ อ, อย่างใดเนี่ยมันก็จะตใต้ทุกข้ในเศกิยว่าครับเดมมาฝส่เพ่ออะไไม่ไม่ตัวนั้นนะราคาว่าอไรประมากลาคืนเหมือนเืไอ้ห้างออกมาแล้ว้ <c oughs> วางอ อ, องงงกมา นี่นะครับต้องขอทั้งสองอย่างนะข้อนี้ตองการอะไรเสรจก็ได้ ขอท่านจงให้ข้ากับนายสายนะจงล่า้นนาสายให้จงให้โพชนาปนกับนาสายจงให้พร้อมกับนาสายจงให้ในาสายและข้าวเนี่ยมันจะมีเนื่องสองอย่าง น, นดังนี้ต้องอาบัตทุกกฎเพราะการขอก่อนพอรับประเคนต้องอาบัตทุกกฎเหมือนกันนะครับเมื่อฉันต้องอาบัตปาจิตตีที่ทุกคาคือแต่เมื่อก่าวว่าจงให้สัพยภิพ ข้าในยสนี่นะสับปีพันนะครับเพราะเหตุที่สับปีพันไม่มีเรียกเหมือนกับข้าวสาลีเขาว่าสาลีพันธุ์มันมีข้าวสาลีใช่ไหมแต่สับปีพันข้าในาย ใ, นใสไม่มีนะเนยใสไม่ไม่ได้เป็นข้าวมันก็เป็นในยใสนะดังนั้นจึงต้องอาบัติกดพ่อการขอแกงและข้าวสุกนะครับจะไม่ถือว่าต้องพ่อไปดีว่าขอปฏิญาโภชนะนะ พราะถือว่าขอในใสยอย่างเดียวนะครับเพียงแต่กชื่อว่าสัติพันธ์นะ <c oughs> แต่นะครับถ้าพิสูกล่าวว่าจงให้ข้าวกับเนยใสแต่ทายกถวายข้าวแล้วกับถวายในคข้นนมสดหรือนมส้มเป็นต้นด้วยกล่าวว่านิมนท่านทำเนยใสฉันเองเถินะครับอันนี้ก็ต้องอรรนกันนะเขาไม่มีในยใสก็มในในนนะียนยข้นก็ถวายในคข้นมา แม่เราไปทำเป็นในสายฉันเองนะครับอันนี้ก็ต้องแบบนี้เดิมหรือแม้ถวายนมสมส้มนะให้เราไปทําเองนะครับ mm hmm. หรือถวายของสมควรถวายกับปิยพันธ์อะทรสักอย่างนะให้เราไปแรกในสายมาฉันเองะครับเพราะว่าท่านรับในสายด้วยสิ่ง น, นี้แล้วฉันเถอดังนี้ต้องบัดไปตีตามวัตถุเหมือนกัน แต่ว่าอจะาต้องไปดีมว่าเราสิ่งนั้นน่ะไปแลกเลในสาแล้วก็มาฉันนะก็ยังต้องไปดีมเดิมนเครับก็ถือว่าไม่ผิดวัตถุประสงค์นะเขาจะถวายสิ่งนั้นหรือว่าจะถวายสิ่งอื่นที่แทนสิ่งนั้นเอาไปทําไปแรกกับสิ่งนั้นได้นี่ก็ต้องบอกเหมือกันแต่เมื่อกล่าวว่าท่านจงให้ข้าวพร้อมกันในสายวัวชายกจะถวายในสาวัวก็ตา เมื่อในสายวัวนั้นไม่มีจะถวายในค้อนเป็นต้นดูในก่อนนั่นแหละก็ตามจะถวายแม่โคอะไรโอ้เนี่ย น, นะยจะถวายแม่คออะไรทีเดียวด้วยคําว่าขอท่านจงฉันในสายจ้าแม่โคนี้ต้องไปตีตามวัตถุเหมือนกันนะครัเนี่ยแม่โคอะไรผลินมแล้วก็แบ่งคำเป็น ถ้าพิสุทธไปทำอย่างเงี้ยมานในไสายมาจะไม่วัว น, นะครับมาฉันก็ต้องไปจิ้เดิม น, นะครับแต่ถ้าทายกถูกพิสุทขอให้ถวายข้าวพร้อมกับในไสาวัวกับถวายพร้อมกับในสายแพ้นะครับเนี่ยนะเป็นต้นนะครับถือว่าผิดความมุ่งหมายเนี่ยผิดผิดจุดประสงค์นะครับก็ท่านก็ไม่ต้องอาบันนะ จึงอยู่เมื่อเป็นอย่างนั้นทายกถูกวิสูขออย่างหนึ่งกับถวายอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องอาบหมันก็ไม่ต้องหมดไปกีรสิขาหมดนี่ครับแต่ในดีการวิมินติบอกว่ า, วาก็ต้องมาทุกกฎอยู่ดีนะเพราะว่าออกปากขอใช่ไหมขอแกงเข้าสุดนี่ครับหรือว่าออกปากขอคนไม่ใชยาไม่ใช่ปลาร้วนะนี่นครับแต่ว่าไม่ต้องไปกีรศิขาที่นี้ครับ เพราะว่าคขาไม่ถวายตายเพิ่ขอนะแต่มันจะเป็นต้องเพรานะวิญญาณถึงในคําว่าท่านจงถวายข้าวพร้อมกับในใสาแพะก็มีในนี้เหมือนกันไม่กันหลยแลแ้วขอถวายขอในใสาแพะก็ถวายในสายบวกนี่นะก็ไม่ต้องไปตีนะ่าเมื่อพิสูกล่าวว่าท่านจงถวายพร้อมกับในสายสมควร ถ้ายกถวายด้วยเนสัยไม่สมควรถือว่าผิดความมุ่งหมายเหมือนกันก็ไม่ต้องไปเมื่อบอกให้เขาถวายในสัยไม่สมควรก็จะปีญญาในสัยเนสายอะไรอะกับีญญาในสัยเนสัยราชสีมีในสัยเนสัยของสันที่มักสานเป็นอะไกตยปานะครับที่สุดขออย่างนี้นะ้ายกถวายในสายไม่สมควรนั่นแหละต้องอบัมรทุกกดทั้งในเวลาและ ทั้งในการฉันนะครับถ้าบทจะเบาลงนะในสายที่เป็นการปิยานะครับนในบทที่เหลือพึงสร้างวินิจฉัยตามในนี้เหมือนกันก็ถ้าว่าที่สุ ข, ขอในที่เดียวกันหรือในที่ต่างกันโดยว่าถกมีในสายเป็นต้นแม้ทั้งหมดนะขอเลยยมตมาขอข้ากับในสายในค้นน้ามันน้ำพ ง, งน้ำอ้อยปลาในน้ำ ส, สม้มส้มอทีเดียวเลยนะขอ้อผู้ย่างอะไรนรีก้าวใหญ่ ขอน้นบ้านเด็เลยหรือว่าหลายๆบ้านก็แล้วแต่นะครับแต่ขอให้ครมแหลกเทขอที่ได้แล้วเขาไม่มีรสผสมกันนะ ค, ะคนให้มรสแตกเดียวกันเลยนะฉันเพียงหยดนเดียวด้วยปลายยากคาที่จุ่มลงในภาชนะในภาชนะนั้นต้องไ ป, ไปตีเก้าตัวนะครับเพรามเป็นปผสมมันเลยจุ่มยาทั่งไปนะี่นะแล้วก็มาแตกแตกหยดนเดียวนี่นะ ก็ยังโดนก้าวตัวอะไรนะครับอันนี้เพราะว่าถือว่าก้าอยหญ่นคะครับเหตุเกิดประเภทอาบัต น, นะครับสิกขาบท น, นี้พุงพระพ่าเจ้าทรงปราบพิสุชาพปักีในเมืองสาวาธีบัญญัติได้แล้วก็เหตุคือการของโภชนะอันประนีฉันสิกขาบท น, นี้มีอนุบัญญัติว่าอาคิรานุพิสุไม่เป็นให เป็นอักษาธน า, าบาัญญัติพิษุณีไม่มีครับของพิษุนีก็จะเป็นไปเทสนญญาใครจะไม่ต้องไปตีมีเหมือนกันแต่ว่าเป็นไปเทสัญญาคนคนเราเอาแบบคนตัวกันเป็นอ น, นันติกาไม่เกี่ยวกับการใช้นะครับเป็นติกาปาจิตติติ ก, ปกาปาจิตตก็คื อ, อไม่ได้เป็นไข้เข้าะะขใจสงสัยสัมพันธ์ผิดไปขอมาก็ต้องไปอีเท่านั้น เป็นไข้นะครับสําคัญว่าไม่ได้เป็นไข้หรือมีความสงสัยอันนี้ต้องบัตรทุกคนขนาดป่วยแล้วนะป่วยแบบต้องฉัน่ะหาพวกนี้ถึงจะดีขึ้นนะครับแต่เขาจะว่าไม่ปวดก็ ย, ยังต้องบัตรนครับ <c oughs> อนาบัตรพิสูจไม่ต้องอาบัตรเมื่อเป็นไข้นะครับสําคัญว่าเป็นไข้ขอมาฉันเนี่ยได้ฉันโพชนะปนี่ที่ขอมาในเวลาเป็นไข่ใช่ไหม ตอนที่ป่วยขอมาแล้วแต่าหายป่วยแล้หาก็ยังเหลือแล้วก็ฉันได้าต่อฉันของที่เหลือจากพิสุขให้ก็ได้ขอจังย่าและคนปอนั้นไม่มีปัญหาแล้วขอไปเลยยากปอนานเนี่ยขอเวิดพิสุรูปอื่นนะครับเล่ามาด้วยชอบของตนหมายถึงการแลกเปลี่ยนด้วยฉันกับปิยาบูหาเนะยอันนี้ได้และพิสุบ้าเป็นต้องก็ไม่ต้องอาบัต องอาบัติคาบนี้มีองคสีคือหนึ่งเป็นโพชนา 2. พันนีสองพิสุไม่เป็นไข่สามได้มาด้วยการขอศีลพิสุ ก, กินเมื่อครอบองคสีนี้เขาต้องไปตไปีนสิกคาบทนี้นะครับเดี๋ยวคราที่มาเขาว่าขอเพื่อวิสุรุปอื่นหมายควาว่าขอกับญาติหรือคนโปานาของพิสุเพื่อประโยชน์แก่พิสุ ออขอไก่ย่างให้คนปวนะของลูกนั้นแหละเอามาให้ลูกนั่นไหละไม่เป็นไรับสินค้าวันนี้เป็นอัฐานสาสนนุงฐานอัฐนาสุงฐานเรนไม่ค่อยคุ้นนะสุงฐานเกี่ยวเชื่อช่ว ย, วยนินทางกาย ก, ากรรมสุขฐานนะครับก็เดินทางกายกายกับจิตกายยังไกายกายวาจากายจิตกายวาจาจิตนะครับทาไมมีจี๋ก็คือเราสําคัญถือว่าป่วยไง เมื่อหนป่วยนะเ้าใจะว่าป่วยต้องกินอาหารจะหายใช่ไหมอันนี้ไม่มีจิต น, นะก็ไปขอขอด้วยกายแล้วก็มาฉันนะครับหรือขอด้วยวาจาแล้วก็มาฉันมันต้องมีกายแน่นอนเพราะว่ามีการฉันใช่ไหมขอด้วยกายฉันด้วยกายหรือขอด้วยวาจาฉันด้วยกายก็ได้ะครับถ้ามีจิตก็รู้ว่าตัวไม่ป่วยเนาแล้ว ก, ก็ไปฉันอาหาร้รไปขออาหารมาฉันนะครับก็ไปด้วการจิตกายว า, าจาจิตเป็นกิริยาโนสัญญาพิโมก ไม่รู้ก็ไม่ผลอาจิตตกาจะรู้ไม่รู้ต้องแบบเท่านั้นัน้นติว่าช้าไม่ได้เป็นอุปสงค์หนึ่งเดียวนะครับการยกรรมก็ได้เมจีกรรมก็ได้มิจิตสามยานาสามแหล่จบการที่บานปณิตะสิขาบทมันต่าคนชนะิด้ิขหาคนนี่ก็จบนะครับความนี้คุณจะต้องยากอยู่นะส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าขออยู่นะใช่รับ ย่งไปขอใหถ้าเราไม่ป่วยนะถ้าเราป่วยนะข อ, น, ะขอ น, ะนอกแต่ยากภานาได้นะครับหายไปนี่อยู่แล้วใช่ไหมขออาหารสุขภาพเลยขออาหารสุขภาพาโยฮิผมแค่หนังสือมปให้โยนะหนังสือเมนูอาหารสุขภาพที่สำนักพอสสำนักข้อภานา เอาไว้นะะี่ครับก็เอาให้เข้าเลยถวังว่าเขาจะทำมาให้บ้านนะถ้าไม่ทํามาให้เลยะครับเดี๋ยวเขาบอกดีพระก็เล่าบอกว่ามอนดีแล้วก็มันทำง่ายสะดวกอานก็ลปะทํำง่ายไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอะไรมากหมอขเขียวบอกใส่ข้าวสาร 10% พอมันทําแบบง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากะครับท่านี้สะดวกแต่ว่าเขาไม่ทําเขาไม่ชอบนครับ เพามันจะเล่าสื่อเล่อะไรงี้นะที่มันง่ายมันสะดวกเขาบอกว่าต้องต้องพูดออกพูดกันนะเพราที่เขาเประโยชน์นี้นนะมีกัน้านึ่จะทำมันก็จบนะครับแล้วเราเป็นโยมอ่าบาทีเขาเขาไม่ยอมเหมือนกันนะเขาก็ามีสารสรีแม่ปวดสสีอะไรใช่ห้อยดีให้เขาทาอาหารที่ไม่อร่อยนะโว้ยไม่ควรทาจั น, าานนบัติมิ่ครับ เป็นกรรมฐานทางทอนครับเยอะเลยยมหวงนะครับต่อไปนะครับมันอข้อสิบมันจริงเหนึ่งบริสุทวิธีนะครับโอ้ไม่ไดไม่ได้จะหมดเวลาชมดเวลาแล้วนะครับจะหมดแล้วนะก่อนยิงข้อที่สิบเนี่ยก็มีคำอธิบายเยอะนะ อาไม่ตอบพวกนี้ก็แล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องชนะอาหารที่ไม่รับประเคนนะจะพูดในเกี่ยวกับการประเคนองค์การประเคนการขาประเคนนะครับแบบไหนเป็นการประเคนไม่ประเคนนะเราจึงว่เลยว่าโประเคณนมันง่ายเหมือนกันไม่ใช่ยากนะครับขนาดใช้โต๊ะเป็นการรับประเคนได้เลว่าโยเข้าอาหาเอาน้ปาหน้ามาเสิร์ฟนี้นะข้าวเมล็ดธบัติเพราะมือแตะบนโต๊ะนี่นะครับโยเข้าน้ำปะาหาอวัเนี่ย ผมนอนใจว่าใช้ต้นเป็นตัวลับระเค็นยังได้เลยครับไม่จำเป็นต้องใช้ผ้าหรือแต่ะใช้ต้นนี่เลยนะครับยังได้เลยหรือแม้แต่เวลานั่งอัศนะใช่ไหมเราใส่ใจว่าเราเอาตัวเราเนี่ยรับกระเค็นครับยืนนั่นองท่าอาศนะเป็นของเรื่องกายโยมของวางมุอัสนะก็ถือว่ากระเค็นได้ยู่ด้วยการใายใจรมานะครับนั้นอาจจะได้ดูนะรายเกี่ยวกับที่เรืุคหิตน่าจะพูดถึง ของที่เป็นอาโพสต์หานะี้